ความไม่ประมาททำตัวให้เลอะเทอะจิตเปลื่อนเประอกุศลในสงสารถ้ายับยั้งใจได้มีประมาณจะเข้าการถึงธรรมในมงคลมงคลที่21อ็อัปมาโทจะทำเมสุความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย คนเราไม่ควรประมาทในทุกสิ่งทุกอย่างอันว่ากล่าวถึงความไม่ประมาททั้งหลายนั้นรวมทั้งความไม่ประมาทในธรรมจะต้องประกอบด้วยสติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสติความระลึกก่อนจะทำพูดคิดความยั้งคิดความรอบคอบในการงานความจาแม่นยำไม่หลงลืมเป็นของที่จาต้องปรารถนาในที่ทั้งปวง ผู้ขาดสติมักทำพลาดพูดพลาดคิดพลาดผลผลันไม่รอบคอบและมักหลงลืมไม่อาจเทียบเหตุการณ์ข้างหน้าข้างหลังให้โยงเนื่องถึงกันผลที่จะพึงได้รับก็บกพร่องหรือถึงเสียหายก็มีผู้เป็นเช่นนี้ท่านเรียกว่าประมาทคือขาดสติสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงยกความประมาทในธรรมทั้งหลาย ว่าเป็นมงคลอีกประการหนึ่งความประมาทกล่าวตามในที่ท่านภาษารีบุตรกล่าวไว้ในขุธกะวัตถุวิพังว่าในส่วนความชั่วปล่อยจิตไปในอำนาจแห่งอิทถารมณ์คือสิ่งที่น่าปรารถนาด้วยทุจริตทางกายวาจาหรือทางใจปล่อยจิตเรื่อยไปไม่รู้จักยับยั้งในส่วนความดี ไม่ตั้งใจทำไม่ทำเป็นนิดทำทาหยุดหยุดท้อถอยทอดฉันทะทอดทุลาไม่มั่นคงไม่มันไม่คุ้นไม่ให้เจริญมากขึ้นอาการดังที่กล่าวนี้เรียกว่าความประมาทตรงข้ามจากนี้เป็นความไม่ประมาทความชั่วจะเพิ่มพูนความดีจะสู์ไปเพราะความประมาท ความดีจะงอกงามความเสื่อมซามจะหมดสิ้นไปก็เพราะความไม่ประมาททั้งสองนี้เป็นมูลเหตุอันสำคัญซึ่งไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าอีกแล้วสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ว่าอะไรจะเป็นมูลเหตุอันสำคัญที่ให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความประมาท และอะไรจะเป็นมูลเหตุสำคัญที่ให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทไม่มีเลยบัณฑิตผู้ทราบเนื้อความนี้จึงละความประมาทเสียตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดก็เตือนให้ผู้นั้นประกอบการต่างอันหาโทษมิได้ เหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงสารเสริญความไม่ประมาทไว้เป็นอเนกประการคำว่าความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายก็คือว่าไม่ให้ประมาททั้งในทางดีและทางชั่วคือทางชั่วอย่าประมาทดูหมินว่าไม่เป็นไรในทางดีก็ตั้งใจไม่เลินเล่อขมักขม่นทำความไม่ประมาทนั้นควรจะทําอย่างไร พึงทราบโดยในที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยสามัญยะเทศนาว่าพึงทาความไม่ประมาทโดยฐานะสี่คือ 1. ในการละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุดจริต 2. ในการละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุดจริต 3. ในการละมโนทุจริต บำเพ็ญมโนสุดจริตสี่ในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกและที่ตรัสโดยเทศนาพิเศษในทางอบรมจิตว่าพึงทำความไม่ประมาทไว้เป็นเครื่องรักษาจิตโดยสมควรแก่ตนในฐานะสี่ว่าหนึ่งจิตของเราอย่ากำหนดแล้วในธรรม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด 2. จิตของเราอยากขัดเคืองแล้วในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองสจิตของเราอย่าลุ่ม・หลงแล้วในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความร่ม・หลงสจิตของเราอย่ากัวเมาแล้วในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาบุคคลผู้ปฏิบัติตามพุทธพาสิบนี้ หรืออย่างตามเพียงมีสติระลึกก่อนจะทําจะพูดจะคิดยังคิดรอบครอบระวังหน้าระวังหลังแล้วจึงดำเนินกิจการก็จัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายผลที่จะพึงได้ก็มีแต่ความเจริญเพราะมีมงคลอยู่ในตัวเองและไม่ต้องเสี่ยงได้เสี่ยงเสียดุดบุคคลผู้ถือมงคลภายนอกซึ่งมีโชคและเคราะห์ คราว ค, า, วความไม่ประมาทในธรรมเป็นความไม่ประมาทในเหตุคือกรณียกิจอันเป็นหน้าที่ซึ่งจะพึงทาพึงพูดพึงคิดให้เกิดผลนั่นเองมีแนวทางในการปฏิบัติ ด, ดังนี้ไม่ประมาทในเวลาเอาใจใส่ต่อเวลาเห็นคุณค่าของเวลาไม่ยอมให้เวลาต้องสิ้นเปลืองไปเปล่า ไม่ประมาทในวัยมีสติกำกับตัวและเร่งรัดพัฒนาตัวเองให้มีหลักฐานเหมาะกับวัยนั้นๆประพฤตินตนให้อยู่ในศีลธรรมดำเนินชีวิตไปตามธรรมนองครองธรรมไม่ประมาทในการงานกระตือรือร้นภาคเพียรในการงานมีความอุตสาหะบากบันไม่ย่อท้อต่อการงานไม่ประมาทในการศึกษา เอาใจใส่ในการศึกษาหมั่นสะดับตรับฟังรักษาตัวไว้ให้สมกับความรู้ที่มีไม่ประมาทในการปฏิบัติมุ่งมั่นฝึกหัดกิริยาวาจาและใจให้ดีเป็นปกติฝึกหัดจิตให้มีอิสระเป็นตัวของตัวเองควรแก่การงานในคราวที่ต้องการฝึกหัดอบรมศีลสมาธิและปัญญาให้แก่กล้าขึ้นโดยลําดับ เหตุนั้นพระพุทธองค์ตรัสความไม่ประมาทในธรรมเป็นอุดมมงคลอันสำคัญประการหนึ่งผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเชิญเคารพตั้งมั่นในนิสัยเคารพรัตน์ไรยอย่าช้า เคารพพ่อแม่ไปคู่ชีพเรานาเคารพให้ทั่วหน้าใหญ่น้อยจเจริญถึงมงคลที่22คาระโวจะความเคารพอันบุคคลผู้เกิดมานั้นย่อมจะมีความเป็นไปเกี่ยวเนื่องกันตามธรรมดา ผู้ใหญ่มีหน้าที่เป็นผู้อุปการะอุดหนุนทำประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้น้อยฝ่ายผู้น้อยควรเคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำประพฤติตนอยู่ในโอวาทนำให้ผู้ใหญ่เกิดเมตตาปรานีดังนี้ย่อมเป็นความสวัสดีความเจริญแก่ตนเพราะความเคารพเป็นคุณธรรมชั้นสูงคือยอดดีของคนอย่างหนึ่ง แต่เมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วบุคคลแม้จะตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยก็ตามคาระวะย่อมเป็นความงามสำหรับบุคคลตามฐานะนั้นๆถึงแม้จะเป็นผู้ใหญ่ชั้นใดก็ดีก็คงไม่สูงเกินกว่าที่จะทำคาระวะต่อบุคคลหรือวัตถุที่ควรเคารพนับถือแม้แต่พระราชามหากัตรก็ยังต้องเคารพต่อราชธรรม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงเคารพต่อธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั่นเองลักษณะของความเคารพแบ่งออกได้เป็นสามได้แก่เคารพตนผู้รักตนมุ่งทำความดีเว้นความชั่วมุ่งมั่นบําเพ็ญสิ่งดีให้ดีเรียบร้อยเพื่อให้ตนมีความเจริญความก้าวหน้าปลอดเวรภัย มีความสุขสำราญเย็นใจเคารพคนอื่นผู้นับถือรักใคร่คนอื่นมีอธัธยาศัยน้ำใจกว้างไม่เห็นแก่ตนฝ่ายเดียวมุ่งทําความดีแก่กันอ่อนโยนเพื่อบํารุงน้ําใจกันและถ่อมตนลงเพื่อเป็นการแสดงความนับถือยําเกรงกันเคารพธรรมหน้าที่และความเที่ยงตรง ชื่อว่ารมผู้ถือหน้าที่และความเที่ยงตรงเป็นสําคัญเมื่อเห็นว่าเป็นหน้าที่และมีความเที่ยงตรงแล้วก็ทาไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวของตนมาขัดขวางให้เสียหน้าที่และความเที่ยงตรงบุคคลที่ควรเคารพจำแนกให้เป็นสามประเภทได้แก่ชาติวุตโธผู้เจริญโดยชาติ หมายถึงผู้ที่กําเนิดในสกุลสูงที่มหาชนนับถือว่าเป็นใหญ่มีพระราชามหากัตริย์เป็นต้นวายาวุฑโธผู้เจริญโดยวัยหมายถึงท่านผู้สูงอายุคุณาวุฑโธผู้เจริญโดยคุณหมายถึงท่านผู้สมคุณสมบัติมีความรู้และสมคุณธรรม บุคคลทั้งสามประเภทดังกล่าวควรแก่ความเคารพเมื่อบุคคลเคารพต่อท่านแล้วท่านก็จักตอบแทนอุปการะโดยควรแก่คุณานุรูปช่วยอำนวยความสะดวกในกิจการให้อวาสและแนะนําในทางประพฤติชอบอันเป็นทางมาแห่งประโยชน์ที่ประสงค์นอกจากนี้ความเคารพยังนําให้สําเร็จผลคือความตั้งใจ อันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่มีเสื่อมเพราะทำใจให้หนักอยู่เนื่องในทางที่มุ่งหวังความเคารพในสถานะเจที่นำให้เกิดมงคลมีความหมายกว้างไปถึงความปฏิบัติพระพุทธภาสิทธิที่ตรัสแสดงคาระวะไว้เป็นเจดสถานโดยใจความได้แก่เคารพต่อพระรัตนตรยัยนับเป็นสาม คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เคารพในสมาธิคือความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบเคารพในความศึกษาเคารพในความไม่ประมาทเคารพในปฏิสันฐานคือการต้อนรับมงคลจากความเคารพเคารพในสถานเจตนำให้ผลเป็นความเจริญดังนี้ ผู้คารบในพระลัตนตรัยก็มั่นใจอยู่ในธรรมปฏิบัติตามพระพุทธศาสนวาทเมื่อสามารถคุมใจให้ดิ่งลงในทางเดียวไม่เกี่ยวกับความฟุ้งซ่านการงานก็ลุล่วงสมหวังเมื่อใครอยู่ในความศึกษาก็จเจริญด้วยวิชาความรู้ความสามารถก็เป็นผู้ฉลาดในกิจการ เมื่อคุมสติไว้อยู่ไม่เล่เล้อไม่เผลอพรังก็เป็นคนรอบคอบกิจการที่ประกอบก็สำเร็จผลอย่างดีและไม่บกพร่องเมื่อมีอัธยาศัยกว้างขวางหนักอยู่ในการปฏิสันฐานก็อาจจะสมานไมตรีจิตของมิตรให้สนิทสนมชักนำผู้ห่างเหินให้มาสมาคมคบหาเป็นมิตรไว้เป็นกำลังเครื่องตั้งมั่นแห่งตน ความเคารพที่บริสุทธิ์เกิดแต่ไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันระลึกถึงอุปการรัคุณรักใกล้กันนับถือศรัทธาและเลื่อมใสกันเมื่อหมู่คณะใ ด, ดถือความเคารพที่บริสุทธิ์เป็นสําคัญหมู่คณะนั้นชื่อว่ามีอํานาจดึงดูดกันและกันให้แต่และฝ่ายโน้มน้อมเข้าหากันนับถือรักใกล้อื้อเฟือ้อ เชื่อฟังและสามัคคีกันแสดงออกซึ่งกิริยาวาจาใจสุภาพต่อกันตามฐานะนับเป็นหมู่คณะที่มีระเบียบวินยัยเป็นทางเจริญก้าวหน้าแห่งวิทยาฐานะและคุณธรรมทั้งหลายนอกจากความเคารพจะเป็นระเบียบวินยัยและเป็นอำนาจดึงดูดแล้วยังเป็นเกลียวสัมพันธ์นําให้คนเข้ากันได้สนิท และปรับคนให้เหมาะสมกับสังคมรู้จักอนุโลมตัวตามกาลเทศะประดับผู้ใหญ่ให้เป็นที่น่าเคารพและส่งเสริมผู้น้อยให้น่ารักน่าใคร้เป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่เหล่านี้ล้วนเป็นผลอันเกิดแต่ความเคารพด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความเคารพเป็นมงคลประการหนึ่ง เพราะเป็นทางแห่งความเจริญคนรู้จักขนบธรรมเนียมย่อมยำเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ในชาตินี้ก็มีผู้สารเรสริญชาติหน้าก็ไปดีควรอ่อนน้อมถ่อมกายให้คนรักอย่าเห่อสักทนงตัวจะมัวหมองเมื่อถ่อมลมสูงระหงเป็นพงทอง แต่จองหองไยสูงถูกจูงลงมงคลที่23สสานิวาโตจะความถ่อมตนนิวาโตแปลตรงศัพท์ว่าไม่มีลมคือไม่แสดงอาการอย่างพองลมหรือลุกโปง่งอันไม่มีสาระภายใน ใจความนั้นหมายความว่าไม่ยิงไม่จองหองเจียมตัวหรือถ่อมตนท่านแสดงลักษณะของบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นผู้ไม่มีมานะไม่กระด้างเป็นคนไม่มีพิษประดุดงูที่ถอนเขี้ยวมีวาจาอันละเอียดอ่อนไพเราะสนะโสดแม้จะเป็นผู้มีอิสระยะวัยหรือว่าคุณสมบัติมากก็ไม่กระด้าง เพื่อจะทําคารวะอ่อนน้อมต่อผู้อื่นโดยฐานะอันสมควรบุคคลเช่นนี้ใครเล่าควรจะคอรหาเพราะไม่มีทีท่าที่จะพึงติโดยสถานใดสามารถที่จะน้อมนำใจบุคคลให้เมตตาปราณีและจงรักเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยก็จงรักพักดีไม่เจืดจางเป็นผู้น้อยก็มีแต่ทางที่จะได้รับเมตตาปราณีจากเบื้องหน้า ความถ่อมตนเป็นคุณธรรมของใจจูงใจให้ปรารภความดีของตัวเองข้อสำคัญของความถ่อมตนอยู่ที่การกําจัดมานะคือความทนงตัวอันเป็นเหตุเบ่งพยองให้สิ้นพยศลดกําแหงลงและกําจัดทิฐิกระด้างอันเป็นเหตุพองตัวให้ยุบยอบอ่อนละมุน วางท่วงทีกิริยาเป็นดังผ้าเช็ดหน้าโคเขาหักแลงงูพิษที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วลักษณะของความถ่อมตนมีสามอย่างคือกิริยาอ่อนน้อมผู้แสดงกิริยาถ่อมตนออกมาไม่ลดตัวจนเกินควรและไม่ถือตัวจนเกินงามมีความอ่อนละมุน ล, ละไมต่อคนทั่วไปทั้งผู้ใหญ่และผู้ที่เสมอกัน จนถึงผู้น้อยวาจาอ่อนหวานคำพูดที่ไพเราะสนเอหูพูดออกมาจากใจที่สะอาดดุดน้ำใสสะอาดคนทำตามได้ไม่มีโทษเราใจผู้ที่ได้ฟังให้เห็นควรถือเป็นแบบอย่างและคำพูดที่หวานหูบำรุงกำลังใจผู้ฟังให้เชื่นบาน ประดุดดังน้ำหวานชูกำลังใจของผู้ดื่มเป็นมหาสเสน่ห์แก่ผู้พูดให้เป็นที่รักใคร่นับถือของผู้ฟังเป็นประโยชน์แก่จิตใจทำให้จิตใจของผู้พูดอ่อนโยนรักระเบียบชื่อว่าให้ทั้งคุณแก่ผู้พูดและให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจนอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตน สงบเสงเง่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีเป็นใจที่เข้มแข็งแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างเป็นใจอ่อนละไมเหมือนต้นไม้ที่มีผลดกมีใช่อ่อนแอประมาณค่าตนเองแต่น้อยไม่ควรอวดยศศักความสามารถให้เกินตัวกล่าวคือ ไม่นิยมการอวดกําลังอวดอํานาจวาสนาความสามารถแต่นิยมความมีกําลังและใช้กําลังในทางที่ถูกความมีกิริยาอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานและมีใจอ่อนโยนมิใช่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์เฉพาะตัวผู้กระทำเท่านั้นยังเป็นคุณประโยชน์สูงขึ้นไปถึงหมู่คณะจนถึงประเทศชาติอีกด้วย ความถ่อมตนจึงมีลักษณะเป็นกิริยาที่อ่อนน้อมวาจาที่อ่อนหวานและใจอ่อนโยนนี้เป็นเหตุทำให้ผู้ที่ได้ประพฤติมีคนยกย่องเชิดชูทำให้ชีวิตดำเนินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นมงคลความเจริญอีกประการหนึ่งผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมไม่เบียดเบียนคนอื่นและแม้ตนเอง นกน้อยขนน้อยแต่พอตัวรังแต่จุเมียผัวอยู่ได้มักใหญ่ย่อมคนหัวภัยเพิดทำแต่พอตัวซ้ายอย่าให้คนยันมงคลที่ยี่สิบสี่สันตุทีจะความสันโดษ ความสันโดษคือความยินดีในพัสดุหรือในฐานะของตนที่มีอยู่ไม่ดิ้นรนไม่ทยานอยากในอารมณ์ที่ยังไม่ได้ไม่ถึงจนเกินไปการรักษาใจไม่ให้ความโลภเข้าครอบงำเป็นธรรมสำหรับความปรารถนาไม่รู้จักจบความมักใหญ่ไฝสูงและความปรารถนาอันนอกทางแห่งสุดจริตซึ่งบัณฑิตจำแนกลักษณะไว้สามได้แก่ ให้ยินดีตามที่ได้คือมีอย่างใดใช้อย่างนั้นหรือเป็นอยู่อย่างใดพอใจอย่างนั้นไม่ทยานอยากให้ประมาณกำลังกายแม้ถึงจะได้มาโดยชอบแต่ถ้าเกินกำลังหรือไม่เป็นที่สบายแก่ตนเองก็ไม่ปรารถนาให้รู้ฐานะของตนเองตามคุณนานุรูปตลอดถึงความสามารถ แม้ถึงมีทางได้มาโดยสะดวกแต่ถ้าเห็นเกินฐานนะย่อมยับยัง้งลักษณะเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยประทังความโลภให้เบาบางลงเพราะความโลภมีแต่ทางไม่รู้จักพอเมื่อมีเครื่องล่อย่อมกำเริบยิ่งขึ้นไปเปรียบดังกองไฟอันไม่รู้จักพอด้วยเชือ้อถ้ามีทางที่ไปถึง ย่อมลุกลามเผาผลาญจนหมดสิ้นอันบุคคลแม้จะเป็นผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิงคารหรือว่าตั้งอยู่ในฐานะเป็นอิสระแต่ถ้าเป็นผู้ไม่สันโดษคงจะรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ขัดสนหรือต่ำต้อยห้อมล้อมอยู่ด้วยทุกข์ไม่อาจทําใจให้ชื่นบานฝ่ายผู้รู้จักสันโดษปราโมทยินดีด้วยพัสดุหรือฐานะของตน แม้จะขัดสนหรือตำต้อยอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะน้ำใจรู้สึกยินดีเพียงแค่นั้นสามารถที่จะนำสุขให้เกิดแก่ตนเองได้สมเด็จพระทศพลทรงตรัสเอาไว้ว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งก็เพราะมีหรือจนอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่จำนวนแห่งโภคทรัพย์ฉะนั้นบุคคลผู้ปรารถนาความสุขใจ จึงควรดำเนินตนให้อยู่ในทางแห่งสันโดษผู้สันโดษสามารถเผื่อแผ่ประโยชน์แก่ผู้อื่นได้เพราะเมื่อไม่โลบแล้วก็คงไม่ตรณีอันความเผื่อแผ่ประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยฐานะใดๆก็ตามจัดว่าเป็นความดีแต่มีอีกประการหนึ่งที่สำคัญยิ่งก็คือเผื่อแผ่โดยฐานะตอบแทนท่านผู้มีคุณ ผู้ไม่สันโดษคือโลภในพัสดุหรือลุ่มหลงมัวเมาในอิสริยยศของตนเมื่อเห็นท่านมีคุณด้อยกว่าย่อมจกอึดอัดที่จะตอบแทนฝ่ายผู้สันโดษย่อมไม่อึดอัดทำได้โดยสะดวกใจผู้มีความสันโดษเป็นยาวิเศษมุ่งมั่นทำงานศึกษาศิลปะวิทยาและปฏิบัติคุณธรรมอยู่ย่อมไม่มีเวลาสาหรับความทุกข์ เมื่อได้วัตถุทรัพย์และคุณทรัพย์มาแล้วรู้จักถนอมรักษาช่วยให้ตนเป็นคนมั่งคัง่งอยู่เป็นสุขสําราญใจย่อมเป็นสุขในทางโลกผู้ใช้สันโดษเป็นยาบำบัดโรคโลภบำรุงใจให้สดชื่นเบิกบานและชูกาลังใจให้เข้มแข็งจักอยู่อย่างสงบชื่นบานในทางธรรมเรียกว่าชีวิตสันโดษ ความสันโดษเป็นมงคลประการหนึ่งใน38มงคลเพื่อความเจริญของชีวิตผู้ประพฤติสันโดษมีชีวิตสันโดษดังกล่าวพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งจงรู้จักกตัญญูเชิดชนูนุนผู้มีคุณแก่ตนอย่าทนนิ่งเมื่อรู้จักกตัญญูให้รู้จริง อย่าวังสิ่งตนชอบมาตอบแทนมงคลที่25หกระตัญยุตาความกระตัญยูกระตัญยุตาหมายถึงความรู้อุปการะที่ท่านทำแล้วแก่ตนชื่อว่าความกระตัญยูความกระตัญยูนี้คือความดี เป็นพื้นฐานแห่งความดีเป็นสีแห่งผู้ประพฤติเมื่อทาได้ก็จัดว่าเป็นคนดีกตันยูกะตะเวทีเป็นธรรมที่คนดีนิยมสรรเสริญกันทั่วโลกไม่เลือกชาติหรือภาษาทุกาศาสนาทุกลัตทิไม่มีที่ตำหนิโดยสถานใดในทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่าเป็นของหายาก เทียบเป็นคู่กับบุรพการีเพราะยากที่จะพร้อมมูลกันทั้งสองฝ่ายต่างทาตามหน้าที่ของตนไม่บกพร่องบุรพการีคือผู้ทําอุปการะก่อนตั้งอยู่ไว้ในฐานะที่เป็นเจ้าพระคุณเ อ, อื้อเฟื้อเกื้อหนุนเต็มตามความสามารถไม่สักแต่ว่าเป็นบุรพการีกตัญยุกตเวทีคือผู้รู้อุปการะ และตอบแทนก็สนองคุณตามหน้าที่ไม่บกพร่องเห็นตนประหนึ่งว่าเป็นหนี้บุญคุณแห่งท่านอยู่เชิดชูบุญคุณท่านไว้ไม่ให้เสื่อมที่พร้อมมูนกันเช่นนี้จัดว่าหายากท่านแสดงว่าเพราะธรรมดาของสามัญชนมักมีตัณหาและเอาวิชาเข้าครอบงำจึงทำให้เสียผู้ที่ตั้งอยู่ในฐานะที่จะเป็นบุรพกาลี หากมีตัณหาคือความปรารถนาตอบแทนเช่นอุปการะด้วยหวังผลในภายหน้าคิดว่าจะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้เพราะที่ทำไปประดุดให้เงินกู้เพื่อต้องการดอกเบี้ยไม่จัดว่าเป็นบุรพการีต่อทำไปด้วยหน้าที่ด้วยมุ่งหมายชอบทำเป็นใหญ่ด้วยเล็งเห็นว่าธรรมดาบุคคลย่อมต้องมีอุปการะกัน เช่นนั้นจึงจะจัดว่าเป็นบุรพการีที่ทำด้วยเมตตาปราณีดังมารดาบิดาทำแกบุตรจัดเป็นบุรพการีโดยแท้ฝ่ายผู้น้อยที่ได้รับอุปการะของท่านหากมีอวิชชาเข้าครอบงำทำให้เขาคิดเห็นไปว่าเป็นของไม่สำคัญที่จำจะต้องตอบแทนเพราะผู้ใหญ่นั้น ก็จำจะต้องอุปการะผู้น้อยอยู่เองเห็นไม่สำคัญให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่แห่งตนแต่เข้าได้อุปการะแล้วละเลยลืมเสียด้วยไม่นำพาผู้เป็นเช่นนี้ก็เป็นประดุษว่าตระบัหนี้ของท่านไม่ทำความเบิกบานใจให้ท่านผู้มีพระคุณแก่ตนความกตัญญูแบ่งได้เป็นสามประการ ได้แก่กะตันยูต่อบุคคลกะตันยูต่อสัตว์กะตันยูต่อสิ่งที่ไม่มีวิญญาณกะตันยูต่อบุคคลบุคคลผู้กะตันยูควรจากระตันยูรู้คุณของผู้มีคุณและสนองคุณตอบโดยชั้นสูงได้แก่บิดามารดาผู้เป็นลูกพึงละลึกไว้เสมอในพระคุณของบิดามารดาที่เลี้ยงดูมา ควรเชื่อฟังคำสั่งสอนอบรมปฏิบัติเลี้ยงดูตอบแทนให้ท่านได้ความสุขสําราญเป็นต้นครูอุปชาอาจารย์พึงประพฤติตนให้เป็นคนว่านอนสอนง่ายแสดงความเคารพนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นหรือยกตนเทียบท่านเป็นต้นพระมหากษัตริย์พึงตั้งหน้าที่ประพฤติตนเป็นคนดีมีความจงรักภักดี และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระศาสด า, ศาด้วยการตั้งใจศึกษ า, าศาสนาละจากความชั่วประพฤติแต่ความดีและชำระ จ, จิตให้บริสุทธิ์เป็นต้นกะตัญญูต่อสัตว์สัตว์ที่มีคุณเช่นช้างมา้าโคกระบือเป็นต้น ที่ใช้เป็นปาหนะเทียมลากเข็นหรือไถนาผู้ที่กระตัญยูย่อมรู้คุณของสัตว์ที่ตนได้อาศัยแรงมันไม่ควรประพฤติอย่างเยี่ยมโหดแกมันใช้ด้วยความการุณาปราณีในขณะใช้ไม่ใช้ให้เกินกำลังไม่ปล่อยให้อดอยากเป็นต้นกระตันยูต่อสิ่งที่ไม่มีวิญญาณได้แก่สิ่งที่เป็นเครื่องใช้ ที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตนหรือสิ่งป้องกันอันตรายได้ในเวลาอันจนเช่นต้นไม้แม่น้ำเป็นต้นเมื่อเราทุกคนถือว่าตนเป็นคนกตัญญูจึงควรถือคติว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่มีคุณควรยกย่องเชิดชูวไว้ในฐานะที่มีคุณควรสนองคนแม้แต่สิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองเช่น ต้นไม้ที่ตนได้อาศัยร่มเงาให้เย็นกายสบายใจนั้นก็ต้องยกย่องเชิดชูในฐานนะสิ่งที่ควรสนองคุณด้วยเช่นกันความกตัญญูจะทำให้ผู้กตัญญูมีเกียรติยศซึ่งทำให้ถึงความเจริญเดชทำให้เป็นที่น่ารักน่าใครให้มีความเคารพนับถือและเมื่อคนเคารพนับถือแล้วก็จะมีแต่ความเบิกบาน สำราญใจที่เกลียดก็หายที่นายก็สิ้นบุญก็มาปัญญาก็เกิดความมีบุญมีปัญญาเกิดขึ้นนั้นจึงส่งเสริมให้ผู้มีความกะตัญญูมีชีวิตที่จเจริญก้าวหน้ามีคำกรอนกล่าวถึงความกะตัญญูไว้ว่ากะตัญญูควรคิดให้เป็นนิดกาะะเตวทีคิดข้ามเช้าคนสรเสิร์กิ ติดพั์ชื่อสัตว์แฮความสุขนั้นไม่แคล้วเขตข้างทางเกษมผู้ใดจิตตั้งมั่นในศีลเสษสัตว์เป็นอาจินอยู่แล้วกระตัญยูเพิ่มผลพินโยยิ่งความสุขนั้นไม่แคล้วคลาดผู้เพียพรพดุงความกระตัญยูเป็นเหตุให้ผู้ประพฤติถึงความเจริญด้วยลาบยศสรเสรและสุ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความกตัญญูนับเป็นมงคลความเจริญอันสำคัญอีกประการหนึ่งความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีความกตัญญูกตเวทีเป็นร่มโพร่มใยของโลก